บุ๊กทูสี่สิบเอ็ดโฟร์ตีเอ็นที่ไหน orientering สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะ where are tourist information คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ จองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะวูร j แคนฉันจะสั au, uh ่งห e องที er an, uh ่ห้าเมืองเก่าอยู่ที่ไหนวูร์แคร์เก่าเมืวิหารอยู่ที่ไหนวูร์แคร์โดมกิรพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน บูร์อ r ร์เซื้อสแต็มได้ที่ไหนบูร kanjaya ช้ e ปปิ้งฟร e เอรคซื้อดอกไม้ได้ที่ไหนวูร kanjaya ช้อปปิ้งบลอมเตอร์ซื้อตั๋วได้ที่ไหนวูร์ kanjaya ช้อปปิ้งบิ e r ถ้าเรืออยู่ที่ไหน ตลาดอยู่ที่ไหนตลาดอยู่ที่ไหนตลาดอยู่ที่ไหนตลาดอยู่ที่ไหนตลาดอยู่ที่ไหนตลาด่ที่ไ่อ่ไหอ่ไหนอ่ทาดอาดที่ายที่ย่อ่ไหอ่ไหน่อยูน การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ h ูร์เลงเอบาร์เดอร์อันบิสนนดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาเยอรมันย้ายอันส์เไกด์ซอ s ส a เกิร์ตดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาอิตาเลียน้ายรกดักเกิตอเลียน ดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาฝรั่งเศสฉันต o องการไกด์ที่พูดภาษาฝรั่งเศส